ปูพื้นฐานการภาวนาเวลานั่งสมาธิเราจะเริ่มต้นด้วยการไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาทำวัดเช้าทำวัดเย็นนั่นแหละเท่าที่เราจะสวดได้อย่างน้อยสวดบทอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนจเจริญเมตตาพรหมวิหาร เมื่อนั่งสมาธิก็อธิษฐานจิตข้าพเจ้าจะปฏิบัตินั่งสมาธิเพื่อบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้จิตของข้าพเจ้าสงบแน่วแน่เป็นสมาธิเกิดสติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงแล้วเรามากําหนดสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยไม่ต้องไปนึกถึงอะไรทั้งสิ้น ดูแค่ลมหายใจและไม่ต้องไปนึกว่าลมหายใจสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดเพียงแต่รู้ว่ามีลมหายใจเท่านั้นถ้าจิตของเราอยู่กับลมหายใจตลอดไปปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความว่างปล่อยให้ว่างถ้าเกิดความคิดขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเอาสติกตัวเดียวกำหนดตามรู้ ถ้าจิตยังไม่มีพลังเพียงพอคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้เขาจะหยุดคิดและจะกลายเป็นความว่างปล่อยให้ว่างถ้าว่างนานๆลมหายใจปรากฏเขาจะวิ่งไปรู้ลมหายใจเองเราเพียงแต่ให้มีสติ ก, กำหนดรู้จิตของเราอยู่เท่านั้นปล่อยให้จิตเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจ ความคิดความว่างให้มันวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตและอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบจิตจะรู้จะเห็นเพียงแต่กาหนดรู้จิตในปัจจุบันเท่านั้นแล้วอย่าไปบังคับจิตให้สงบให้กาหนดรู้ในปัจจุบันถ้าจิตจับลมหายใจปล่อยถ้าว่าง ปล่อยถ้าคิดปล่อยถ้าสามารถทำสติให้รู้อยู่ในทีได้โดยไม่เอะใจหรือมีความตั้งใจอะไรเกิดขึ้นเนี่ยปล่อยไปตามธรรมชาติได้ยิ่งดีให้นึกว่าความสงบเป็นเรื่องของจิตไม่สงบเป็นเรื่องของจิตจะรู้จะเห็นเป็นเรื่องของจิตเราอย่าไปปรุงแต่งให้เขาสงบให้เขารู้เขาเห็น ธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีทุกทีเมื่อเขามีพลังงานพร้อมเขาจะจับอย่างใดอย่างหนึ่งคือเรียกว่ายึดอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้อย่างเหนียวแน่นถ้ายึดลมหายใจเขาจะตามลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าถ้าไปยึดความว่าง เขาก็จะว่างว่างว่างไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายทีนี้ถ้าหากว่าเขามีความคิดเขาจะตามความคิดเขาก็จะตามไปจนกระทั่งเขาหยุดคิดเองปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้